การบอกเคิอสิขาโดยการแสดงภาวะแ8ดบทวงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือัปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นครือัดวงเล็บสองภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกวงเล็บสามพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นคนวัดวงเล็บสี่พิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นสมมเนนวงเล็บห้าพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นเดียระถีวงเล็บหภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ท่านจงจำข้พาพเจ้าว่าเป็นสาวกเดียรถีวงเล็บเจภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้พาพเจ้าว่าเป็นผู้ไม่ใช่สมณนะวงเล็บ8ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านจงจำข้พาพเจ้าว่าเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสกิยะบุตรภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนศิก ข, ขา